บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งธาตุปปะพะคือหมวดที่ว่าโดยธาตุนั้นเป็นการนำเอาธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมาประมวลไว้ในที่เดียวกันซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมะจะพบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ธาตุให้เป็นอารมณ์ทั้งของสมถกรรมาฐานคือส่วนในการเป็นอุปกรณ์ในการทําใจของตนให้สงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้แก่ดินน้ําลงไฟซึ่งการใช้ดินน้ําลงไฟนั้นก็ใช้หลายวิธีคือเพ่งที่ดินน้ําลงไฟแล้วก็พิจารณาหรือบางทีก็เอาดินน้ําลงไฟมาเพ่งในแนวของ โดยจุดตุ่งหมายก็คือเพื่อให้จิตสงบและอากาศวิญญาณก็อยู่ในกลุ่มของสมถะกรรมฐานที่สูงขึ้นท่านเรียกว่าอารูปกรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งแยกเอาขันธ์ทั้งห้าหรือว่าที่จริงก็ธาตุทั้งหลายนั่นเองออกมาโดยนัยยะหนึ่งกลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน เ น, เน้นไปในการให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในแต่ละขณะที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล่านั้นเพื่บุคคลสามารถปล่อยวางหรือผ่อนคลายความยึดติดในธาตุเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราลงไป ธาตุที่เป็นส่วนของอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ทรงจำแนกจากร่างกายคนนี้เองเรียกว่าธาตุสิบแปดคืออายตนะภายในหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมกับปิญญาหก ือเรียกตามชื่อของอาญตนาภายในเช่จนจักขุวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณธาตุเป็นต้นเมื่อรวมแล้วก็เป็นส6กด้วยกันเมื่อทรงจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารตามที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับในที่สุดก็ทรงสรุปไว้เพียงสองธาตุเรียกว่าสังคตธ า, าตุ คือธาตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งกลุ่มหนึ่งและอสังคตธาตุคือธาตุที่ไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าจะให้มองเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะสองชั้นสังคตธาตุนั้นเป็นโล ก, กีรธรรมอสังคตธาตุก็เป็นโลกุตรธรรม ปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงนั้นในส่วนของสังกตะคือที่มีปัจจัยเครื่องประกอบเข้ามาปรุงแต่งเป็นอนเนกทั้งที่เป็นรูปบั่งทั้งที่เป็นนามบั่งทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดพินิษพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าแยกย่อยส่วนผสมเหล่านั้นออกไป ก็จะไม่มีความเป็นอย่างนั้นในสิ่งเหล่านั้นจะอาจจะมองในส่วนใหญ่ๆความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็เริ่มต้นมาจากความไม่มีก่อนเช่นคนจะสร้างบ้านตรงในที่ใดที่หนึ่งสถานที่นั้นเดิมทีเดียวก็ไม่มีบ้านอยู่ก่อนแต่สายตัวจิต ซึ่งทำหน้าที่ปรุงคิดและคิดปรุงก็สร้างเป็นแบบแปนแผนผังขึ้นมาและในที่สุดก็ น, นำเอาสังขารเหล่านั้นจากที่ต่างๆเข้ามาประกอบกันด้วยการปรุงแต่งของจิตให้เกิดความมีจิตพิสดารออกไปตามความมีจิตของจิตซึ่งหมายความว่าถ้าภายในจิตของบุคคล มีปัจจัยปรุงแต่งวิจิตออกไปมากคนก็สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างรถให้วิจิตพิสดารออกไปได้ถึงกรนีก็มีตัวอย่างที่เป็นครูสอนในที่ตัวทั่วไปว่าตัวของบ้านเองนั้นก็เกิดเป็นจากปัจจัยปรุงแต่งและปัจจัยที่จะให้เกิดบ้านขึ้นมาเองมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิต ได้จิตเองก็นําสิ่งประสบการณ์ต่างๆที่ตนผ่านพบมาเข้ามาปรุงแต่งอีกทีหนึ่งก็ปรุงแต่งกันสืบเนื่องกันไปโดยในยะนี้ถ้าหากว่าบุคคลจะนําเอาสิ่งเหล่านั้นแยกออกไปก็กลับสู่อภาวะคือความไม่มีเหมือนเดิมเพราะมันเริ่มต้นมาจากความไม่มีตังกล่าแล้วแต่จากความไม่มีที่กลายเป็นความมีนั่นเอง บุคคลจะมองในแง่ของการรวมไว้เป็นชิ้นเป็นอันและใจที่ถูกตัณหายอมใจถูกกิเลสย้อมใจก็จะไปกาหนดวัตถุอารมณ์สิ่งของหรือแม้แต่ตัวตนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาที่กิดปรุงใจจิตใจของบุคคลก็หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้น เช่นถ้าใจเกิดไปปรุงว่าสิ่งนั้นสวยงามน่าพอใจรักใคร่ยินดีใจก็จะเกิดกำนัดในอารมณ์เหล่านั้นและจะกำนัดด้วยไปสืบเนื่องมีการสแสวงหามีการได้มามีการครอบครองมีการหวงแหนมีการป้องกันมีการรักขาใครมาละเมิดสิ่งที่ตนกำนัดรักใคร่ยินดีก็จะมีการต่อสู้ราดประหารเ จนถึงบางครั้งบางคราวหน้ามืดก็จริ ง, รงๆก็ไม่รู้อะไรมีค่ากว่าอะไรเจนเอาชีวิตไปแลกกับเรื่องเพียงเล็กน้อยข้อขัดใจกันเพียงเล็กน้อยเป็นต้นพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่บังเกิดขึ้นเพราะเห็นกันในชีวิตประจำวันดังนั้นในส่วนของวิญญาณเองก็จะพบว่าเกิดขึ้นมาจากปัจจัย คือแต่ละสิ่งแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของวิญญาณคือความรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนั้นตัวมันเองแต่ละอย่างก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลําพังตนเองแต่ก็อาศัยปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดขึ้นของจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาซึ่งในที่นี้ทรงใช้กรรมาธาตุนั้น ก็ต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยของจักษุคือไม่ไกลจนมองไม่เห็นแต่ไม่ชิดตาจนมองไม่เห็นเหมือนกันและตัวเองก็จะต้องมีตาและจะต้องมีแสงสว่างหรือมีช่องว่างระหว่างรูปกับตาถ้ามีเพียงสามอย่างก็ไม่เกิดเป็นจักรุวิญญาณขึ้นมาแต่ต้องมีมนัสสิการคือความใส่ใจ จึงจะกลายเป็นการรู้รูปเหล่านั้นในการสอนจึงส่งสอนให้ผู้ปฏิบัติดูตรงไหนก็ได้าธาตุไหนก็ได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงของาธาตุเหล่านั้นในชั้นของการศึกษาปฏิบัติจึงมุ่งเน้นไปที่จุดใจจุดหนึ่งให้ได้ก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจเฉพาะในสิ่งนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงหาความเข้าใจในส่วนอื่นต่อไป ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการเรียนหนังสือที่เราเรียนแม่บทของสิ่ง น, นั้นๆซีก่อนเมื่อจำแม่บทได้เอาไปผสมกับพยัญชนะตัวอื่ น, นก็สามารถที่จะอ่านได้เช่นเดียวกันลักษณะาอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมถะหรือส่วนของวิปัสสนาก็ตาม การที่จะเป็นสมถะและวิปัสสนานั้นขึ้นอยู่กับการใช้ธรรมะในขณะนั้นนั้นอารมณ์มันเดียวกันจะให้เป็นสมถะก็ได้จะให้เป็นวิปัสสนาก็ได้คือถ้าจะให้เป็นสมถะมุ่งเน้นไปที่ความสงบ ก, ก็กำหนดระลึกนิ่งอยู่ที่นั้ น, นก็เป็นสมถะกรรมฐานและอารมณ์เหล่านั้นเองเมื่อบุคคลนำปัญญาเข้าไปวิเคราะห์พินิจพิจารณาก็กลายเป็นวิปัสสนา ซึ่งในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะเกิดสับเปลี่ยนกันไปจนในขณะนั่งปฏิบัติกรรมฐานอาจจะตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาให้เกิดความสงบแต่ปัญญามีกําลังแก่กล้าขึ้นอยากพิจินิจพิจารณาเป็นเดียวนึกอารมณ์เราใดเราหนึ่งขึ้นมาพิจารณาในขณะนั้นก็คุมปัญญาให้พิจารณาในแง่ของพระไตรลักษณ์ เตือถ่ายถอนวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงออกไปในขณะ น, น, นั้นก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยอารมณ์อย่างเดียวกันนั่นเองสังขารเหล่านี้ประเภทที่เรียกว่าสังคตะคือเกิดปัจจัยปรุงแต่งนั้นพึงสังเกตว่ามันมีทุกขั้นตอนคือปรุงแต่งเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กล่าวถึงจักกุบิญญาณธาตุดังที่กล่าวแล้วคือถ้าเรามณสิการเพียงครั้งเดียวทุกอย่างจุดอยู่เท่านั้นแต่ทำไมจึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจการมราคะบ้างโดยอำนาจโลภะบ้างโดยอำนาจความยินดีบ้างเป็นความขัดเคืองด้วยอำนาจความไม่ยินดีบ้า ง, ควา ม, มางความโกรธบ้างความอาคตาพยาบาทบ้าง หรือเป็นความรุ่มหลงเพราะความไม่เข้าใจเหตุผลบ้างเพราะความฟุ้งซ่านไม่สงบบ้างหรือเพราะความลังเลสงสัยบ้างเพราะว่ามีการปรุงคิดและคิดปรุงต่อไปเอาอะไรมาปรุงอะไรมาคิดก็เอาความรู้รูปเหล่านั้นเองมาปรุงคิดแต่ว่ารูปเหล่านั้นในการปรุงคิดอาจจะคิดไปในแนวเดียวจช่นว่าแนวที่ให้เกิดความกำหนัดหรือขัดเคืองก็มองไปในแนวเดียว เสร็จแล้วก็จะเป็นเหนี่ยวรูปเราอื่นซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวกับความโกรธเอาไว้ว่าบุคคลเกิดผูกความโกรธไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเราคนนี้ได้ว่าเราคนนั้นได้ประหารเราคนนั้นได้ประทุษร้ายเราและในที่สุดเวรของคนนั้นก็จะไม่ระงับทาไมไม่ระงับพรบปรุงเรื่อยไป วันนี้ก็ด่าเอวันก่อนก็ท่าทางมองเราเหยียดเย็ดวันนั้นก็ค้อนเราวันโน้นก็ว่าเราขาวก็ว่าวันก่อนก็นินทาเรายกขึ้นมาปรุงมังก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นไปเรื่อยในกรณีที่เป็นความไม่พอใจแม้ในกรณีของความพอใจก็จะปรุงในลักษณะเช่นเดียวกันอยางนั้นก็สวยอย่างนี้ก็ดีอย่างนั้นก็งามก็ปรุงไปในที่สุด ปริมาณของความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็บังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลก็หมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกกิเลสประเภทต่างๆในทำานองที่ให้บุคคลมองเห็นเป็นภาพเพราะกิเลสรูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่มองเห็นเป็นภาพโดยอาศัยวัตถุธรรมเป็นสื่อความหมายเข้าใจเส้นทรงทรงใช้าคาว่ากันทะ คือเป็นเครื่องผูกมัดใจลองดูลักษณะของอารมณ์ที่ตกไปในฝ่ายกำหนัดหรือขัดเคืองก็ตามมันจะตรึงจิตไวในเรื่องเหล่านั้นบางครั้งบางคราวตรึงเอาไว้เป็นเวลานานจนซึมเศร้าเหงาหงอยอดขู่ใจว่าเวเดียวดายเป็นต้นจนมีอาการทางจิตประสาทนี่เพราะอะไรเพราะถูกมัดตรึงไวกับอารมณ์เดียว พัดสายไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนั้นเองบางทีทรงใช้คําว่าโอคะคือมันพัดพาให้ไหลไปเหมือนกับสิ่งที่ตกลงไปในกระแสน้ ill, ําอันเชี่ยวกถูกกระแสน้ํานั้นเองพัดให้ไหลไปไม่สามารถที่จะทรงตัวเองไว้ไม่สามารถที่จะประทะประทงังกระแสน้ํำเราได้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำจะพัดพาไปอย่างไรในที่สุดก็ ไหลไปตามกระแสน้าเหล่านั้นบางครั้งเรียกว่าโยคะคือประกอบขังไว้สูญเสียความเป็นตัวคนตัวเองหมดความอิสระในอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการปรุงปรุงจากรูปจากเสียงจากกลิน่นจากรสเป็นต้นนั่นเองแต่ก็มีการปรุงสืบเนื่องกันไปซึ่งอาจจะพูด เป็นตานองความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ภายในจิตก็คือปรุงคิดคิดปรุงดึงเข้ามาปรุงปรุงแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปรุงต่อปรุงต่อแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปรุงหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ตอนนั้นท่านยังใช้คำว่าปรุงคิดและคิดปรุงเรื่องเดียวกันนั่นเองและเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันน์นั้นการนั้นก็นำมาปรุงปรุงคิดคิดปรุงด้วยไปดังนั้นส่วนของสังคตธาตุ เมื่อกราวโดยสรุปแล้วก็จะพบว่าจะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเนื่องจากจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของเขาเองเรื่อยไปแม้ขณะการแห่งการดํารงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นจะมีการดํารงอยู่เพียงชั่วขณะแบบทียิบแต่เป็นการเกิดดับที่สืบเนื่องกันทำนองกระแสไฟที่ไหลไปแล้วก็เกิดดับไป ในแต่ละขณะเป็นทุกขังคือเป็นทุกเพราะอะไรเพราะแต่ละอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังของตัวเองจะมีสิ่งประกอบย่อยที่สามารถย่อยลงไปจนเหลือเป็นศูนย์คือจนเป็นอนูเป็นปรมาณูได้ทั้งหมดจะย่อยลงไปได้ทั้งหมดประการต่อไปก็คือ คงสภาพเดิมของตัวเองไว้ไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแ ป, ปลงแปรปรวนของแก่นั่นเองแก่จะไม่รักษาสภาพเดิมเอาไว้การไม่รักษาสภาพเดิมนั้นหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนสูงขึ้นหรือเปลี่ยนต่ำลงก็ได้แต่ก็ไม่คงสภาพนั้นซ <inclusive. S 1> ึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อาจจะมองที่กระแสน้ําอาจจะมองที่กระแสไยอาจจะมองที่ตัวเองอาจจะมองที่อาหารซึ่รับประทานเข้าไป หรือว่าตัดอาหารลงมาวางไว้ถึงเริ่มด้วยความร้อนแล้วในที่สุดก็ค่อยๆเ ย, ย, ย็นลงเย็นลงนี้ก็คือความเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นได้แก่การรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้ในส่วนของเวทนาจะมีการแผดเผาใจเป็นเหี้ยวนึกโดยไม่สมเหตุสมผลก็ละจะมีการแผดเผาใจก่อให้เกิดความร้าเรอนและตกอยู่ในสภาพของอนัตตา ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เรื่อยไปแต่ความเกาะกลุ่มกันได้ความดำรงอยู่ได้ของสิ่งเหล่านั้นก็เพราะมีการเกิดสืบเนื่องที่ท่านใช้คําว่าสันตติคือมันหลายสืบเนื่องกันมาเท่านั้นเองนั่นคือกลุ่มของสังฆะธรรมทั้งหมดคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดที่ท่านใช้คําว่าสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตาม จะมีลักษณะอย่างนั้นจนบุคคลอาจจะมองที่เวทนาซึ่งบางเกิดขึ้นตั้งแต่นั่งมาก็จะเพราะว่าเวทนานั้นแกก็เปลี่ยนแปลงกันเลยและบางครั้งบางคราวถึงจุดที่ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องพลิกกลับไปอยู่ในท่าอื่นบทเรียนเหล่านี้จึงมองอะไรได้ทุกๆจุดแล้วก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนมีอยู่รอบตัวบุคคลแต่ละคนซึ่งในชื่อว่าเป็นสังขารทั้งหมด ส่วนที่ตรงกันข้ามก็คือส่วนของวิสังขารวิสังขารโดยเป้าสูงสุดนั้นก็คือนิพพานทิโรพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตที่ปราศจากเครื่องปรุงแต่งตัณหานางขยมจัจจกาเพราะความหมดสิ้นไปแห่งกิเลส ต, ตัณหาดงนั้นจะพบว่า ลักษณะหรือสภาวะของนิพพานที่ทรงแสดงไว้โดยนิยต่างๆนั้นภายในใจของบุคคลก็มีเชื้อของนิพพานธาตุหรือมีเชื้อของวิสังขารอยู่ปัญหาสำคัญว่าจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองเพราะอะไรพราะถ้าไม่มีเชื้อของนิพพานธาตุหรือท่านมักใช้คำว่าพุทธธาตุพุทธะที่เปว่วรู้ คือธาตแทงความรู้อยู่ภายในจิตใจแล้วการที่จะศึกษาเรียนรู้การที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลตามที่ทรงแสดงไว้ก็มีไม่ได้การแสดงธรรมในยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทที่ทรงใช้รำพุทธเวทนย คือพวกที่มีธาตุรู้มีปริมาณสูงมากพอที่จะพูดได้รู้เรื่องได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่พูดไม่แสดงถ้าจะแสดงก็ต้องแสดงแบบปูพื้นฐานไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปริมาณของธาตุรู้ของบุคคลเหล่านั้นให้สูงขึ้นพอจะเรียนรู้ธรรมะที่สูงขึ้นไปได้ธรรมะที่จง ที่ทรงแสดงจึงมีนัยยะต่งตางๆที่ลดหลั่นกันไปอย่างที่ทราบแล้วดังนั้นนิพพานธาตุหรือธาตุรู้ธาตุความดับนั้นพึงสังเกตว่าส่วนหนึ่งแล้วบุคคลก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่จนจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วมานสสิการจึงอารมณ์บน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาขึ้นมาคราวแรก สติเกิดขึ้นเร็วเราลึกรู้อารมณ์นี้ถ้าคิดต่อไปแล้วไม่ได้เรื่องหยุดความคิดดับความ ร, าร้าเรอนเพราะแรงกิเลสได้เมื่อความ ร, าร่าเรอนเพราะแรงกิเลสไม่เกิดคือกิเลสไม่เกิดความทุกข์แกก็ดับเป็นการดับได้ในแต่ละขณะซึ่งข้อนี้บุคคลสามารถตรวจสอบใจตัวเองได้ว่ามีอารมณ์เป็นอันมากที่เราหยุดได้ ไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อไปในขณะนั้นก็เป็นการว่างอย่างอ่อนๆว่างจากสังขารคือการปรุงแต่งอย่างอ่อนๆก็เป็นการสัมผัสนิพพานได้อย่างอ่อนๆนิพพานประเภทนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้มากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการที่บุคคลจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างไรก็ตาม เ็จะต้องมีการสัมผัสในส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นๆให้ได้เสียก่อนตำนองคนที่โฆษณาสินค้าต้องเอาสินค้าให้คนทดลองชิมดูก่อนหรือใช้ดูก่อนตรวจสอบดูก่อนเพราะก่อนจากนั้นเขาวินิจฉัยอะไรไม่ได้แต่หลังจากตรวจสอบหลังจากได้ลิ้มได้ชิมแล้วใจก็จะวินิจฉัยได้คือชอบหรือไม่ชอบ ถ้าเกิดชันทะคือความพอใจขึ้นต่อไปก็เดินหน้าได้ดังนั้นนิพพานธาตุส่วนที่เป็นตะทางกานิพพานคือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆเป็นธรรมะที่ทรงแสดงไว้มากเช่นในส่วนของคารวาตธรรมที่ทรงแสดงธรรมะสีข้อคือสัจจะ ความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันธรรมะการฝึกบือตนเองการข่มใจตนเองขันติความอดทนจากคะความเสียสละซึ่งจะพบว่าในเชิงของการปฏิบัตินจะทำให้บุคคลได้สัมผัสนิพานอย่างอ่อนๆเช่นว่าตั้งสัจจะไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเกิดวันไ่อกเกิดท้อถอยเกิดจะเปลี่ยนแปลง ก็ข่มใจไว้รักษาสัจจะรักษาการงานเหล่านั้นไว้ได้ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเพราะละเมิดสัจจะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะละเมิดสัจจะก็หยุดเป็นการดับได้ในขณะนั้นบางครั้งบางคราวเกิดกระแทกกระทันมาจากข้างนอกจะใช้ขันติความอดหนหยุดเอาไว้เมื่อหยุดเอาไว้กิเลส ท, ที่ควรจะเกิดแก่ก็ไม่เกิด ความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเหล่านั้นก็ยุติเป็นอันดับได้ในขณะนั้นๆบางครั้งมีสนิมใจมีอะไรค้างอยู่ภายในใจใช้จาคะสละเสียทิ้งอารมณ์เหล่านั้นเสียเหมือนสนิมเกิดแต่เหล็กก็เคาะสนิมออกไปหรือเหมือนผ้าเปื้อนก็ซักออกไปความสะอาดก็ปรากฏขึ้นได้ในขณะนั้น ส่วนจ ะ, จะเปื้อนต่อไปก็ซักออกอีกมันก็สะอาดอีกมันก็ใช้ได้เรื่อยไปหลักการปฏิบัติในแนวนี้ก็คือใช้ธรรมะส่วนที่เป็นกุศลธรรมขัดเกลาใจเจนรงสอนให้เวลาเกี่ยวข้องสมาคมเขาผากับบุคคลอื่นคนบางคนไม่ดีแต่เราต้องอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้ด้วยความดีของเรา คนบางคนมากโกรธรุนแรงแต่เราจะโกรธรุนแรงไปด้วยเหมือนกับเอาน้ำมันไปราดในไฟก็ต้องอาศัยความไม่โกรธเข้าต่อสู้ก็จะบรรเทาความรุนแรงของบุคคลเหล่า น, นั้นลงไปได้ด้วยคนที่หวงที่เสนีไม่ยอมเสียสละเอื้อเฟื้อแก่ใครเราหยิบยื่นน้ำใจให้แก่เขาแสดงไมตรีติตต่อเขาก็เอาชนะเขาได้ หรือว่าคนที่โลเลเหลาะแหละพูดมาอยู่ก็ร่องกระรอยเราก็พยายามพูดให้มีหลักมีเกณฑ์กระแกระพูดจริงพูดจังกระแกะ่ะในที่สุดก็เอาชนะแกได้เป็นต้นนี้ก็เป็นการชนะบุคคลอืน่นแต่ส่วนการชนะใจตัวเองนั้นพึงเห็นว่าแม้ธรรมะระดับคารวะสัทธารรมคือธรรมะของผู้ครองเรือนที่กล่าวมาแล้วหลักของธรรมะกับหลักของขันติและหลักของจาระ ธรรมะมีอารมณ์ที่ตรึกนึกขึ้นมาเองเราเห็นว่าถ้าคิดแนวนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ข่มความคิดนั้นเอาไว้ความรุนแรงนั้นก็ดับความทุกข์ที่จะเกิดสืบเนื่องมาก็ดับเวลาเกี่ยวข้องกับคนใครแรงมาเราอดทนไว้กิเลสที่จะเกิดก็ดับความทุกข์ก็ดับหรือว่าการสละอารมณ์ต่างๆดั ง, งที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจากการประพฤติปฏิบัติในแนวนี้ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติสัมผัสผลส่วนที่เรียกว่าตะทางกนิพานหรือตะทางกวมมุตเป็นการหลุดพ้นได้คือไม่ปรุงต่อไปเมื่อไม่ปรุงต่อทุกอย่างก็หยุดอย่างสำนวนที่โบราณเขาว่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียจำนวนทองไม่ต่อความยาวไม่สาวความจื้หยุด เรื่องทั้งหมดก็หยุดได้ในขณะนั้นแต่ว่าการไม่ปรุงในลักษณะนี้ก็ช่วยได้ตามสมควรแก่ขณะเพราะเหตุน้อยผลก็น้อยพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงปฏิปทานเป็นข้อปฏิบัติในแนวของสมถะกรรมาฐานเพื่อเกิดเป็นความสงบที่ยาวนานคือหยุดปรุงคิดคิดปรุงยาวนานบุคคลก็สามารถบรรเทาความทุกข์ได้ยาวนานขึ้น แล้วทรงแสดงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งสูงขึ้นไปเป็นนิจขึ้นไปจะมีการปรุงน้อยลงโดยลาดับเพราะมองเห็นสิ่งแต่สิ่งทั้งหลายว่าศัก์แต่ว่าเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าเป็นรูปสักแต่ว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าเวเป็นเวทนาศักแต่ว่าเป็นสัญญาเป็นต้นก็หยุดความคิดเอาไว้เท่านั้นเองการปรุงต่อไปก็ไม่มี เมื่อมีการกำหนดหมายด้วยอำนาจของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็ยุดการเรียนรู้นั้นเป็นการเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ดังกล่าวแล้วพอเรียนรู้จากจุดหนึ่งได้ในจุดอื่นก็กระจายออกไปได้เรื่อยไปเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นก็มีสองกลุ่มอย่างกล่าวแล้วคือเป็นสังขารกับวิสังขารคนันถ้าหยุดปรุงมันก็ พิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นวิสังขารขึ้นมาเป็นความจริงสองด้านที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเดียวกันกิเลสนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจแต่ในขณะเดียวกันนิพพานมันก็อยู่ที่ใจใจที่มีกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนพอยกกิเลสออกมันก็เป็นเหตุแห่งความสุขความส ง, งบเจน เกิดขึ้นในที่เดียวกันคือในจิตนั่นเองดังนั้นสังกัตะและสังกัตะคือปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งตัวการสำคัญจึงอยู่ที่จิตทำทั้งหลายจึงถึงความรวมลงในจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าบุคคลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จิตได้ปรุงในเรื่องที่ควรปรุงไม่ปรุงในเรื่องที่ไม่ควรปรุงก็สามารถสัมผัสผ ล, ผลคือความสุขได้ ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเดินไปตามหลักคือองค์อริยมรรคที่ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อองค์อริยมรรคสมบูรณ์การไม่ปรุงก็จะสมบูรณ์นั้นคือการเข้าถึงวิสังขารวิสังขารธาตุได้จริงๆหรืออาจสังขตรธาตุได้อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป